ต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องพี่น้องทางธรรมอุดชังคะชาดกโดยสมณะทราบซึ้งสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่13มิถุนายน2547ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ าชาดกเรื่องนี้เกี่ยวกับความเป็นพี่น้องหรือบางทีภาษาที่เราใช้กันเราเราใช้คำว่าพระดาลภภาพแต่ชื่อชาดกเขาชื่ออุดฉังคชาดกมีคำพูดขึ้นต้นนาะสั้นๆเป็นแบบหัวเรื่องอยู่ว่าพ่อแม่สิ้นชีวีสามีหาใหม่ได้ ลูกก็ยังมีง่ายพี่ชายสิหนึ่งเดียวนะขึ้นต้นไว้อย่างนั้นลองฟังเนื้อหาดูก็แล้วกันพระาศาสดาเมื่อประทับอยู่นาเชตวันมหาวิหารทรงปารภหญิงชาวชนบทคนหนึ่งโดยตรัสชาดกนี้ว่าในอดีตการพระเจ้าพมทัศเสวย ร, ราชสมบัติในกรุงพาราณสี สมัยนั้นพวกโจรในดงคุมพวกออกปล้นชาวบ้านแล้วหลบหนีกันไปเราชาวบ้านจึงติดตามสืบจับพวกโจรแต่ก็หาตัวไม่พบนะคือไม่พบร่องรอยนั่นเองโจนกระทั่งตามมาถึงปากดงแห่งหนึ่งได้พบชายสามคนไถนาอยู่นะพวกที่ตามหาโจรเนี่ย ตามโจรไม่พบหรอกแต่มาเห็นชายสามคนไถานาอยู่เนี่ยจึงกล่าวว่าพวกเจ้าเที่ยวปล้นชาวบ้านในดงแล้วเดี๋ยวนี้ยังแซงมาทำเป็นมาไถานาอยู่อีกหรือเจ้าพวกโจรร้ายพูดลักษณะนี้หมายความว่าไงฮะภาษาเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าอะไรฮะภาษาเดี๋ยวนี้เขาเรียกแพะไง เขาเรียกเอามาเป็นแพรับบาปนะคือจริงๆเราไปจับโจรไม่ได้แล้วหาโจรไม่ได้เจอไถานาอยู่แถวนั้นก็เอาเลยเชียวโดนกล่าวหาว่าเป็นโจรเลยพูดเสร็จก็ลงมือจับกลุ่มตัวชาวนาทั้ง3ให้เป็นแพะรับบาปนําไปถวายพระเจ้าพรหมทัตไม่นานนักนะนี่โดนโดนจับตัวไปแล้วนะไม่นานนัก มีหญิงชนบทคนหนึ่งบิดามารดาเสียชีวิตไปนานแล้วเดินทางมาร่ำไห้ร้องขอต่อพระเจ้าพรมทัตโดยยืนส่งเสียงร้องอยู่ข้างพระราชวังโปรดพระราชทานเครื่องนุ่งหม่มแก้มนชั้นด้วยเธอคือเนี่ยมายืนอยู่ข้างพระราชวังแล้วก็ร้องอยู่อย่างเนี้ยโปรดพระราชทานเครื่องนุ่งหม่มแก่มนชั้นด้วยเธด แล้วก็เดินวนเวียนอยู่แถวพระราชนิเวศไปไปมามาไม่ยอมจากไปที่อื่นคือก็ร้องอยู่อย่างนั้นอ่ะค้ำควรอยู่อย่างนั้นแหละจนพระราชาได้ทรงสดับเสียงของนางจึงรับสั่งว่าพวกเจ้าจงนำผ้าห่มไปให้แก่นางนะพระราชาก็เอ้มาร้องอยู่ได้ก็เอาเอาผ้าห่มไปให้สิพวกราชบุรุษจึงพากันหยิบผ้าสาดก รู้จักกระเบ่าผ้าสาดกคือสมัยก่อนเขาเรียกว่าภาษาดกผ้าสาดกจริงๆก็คือผ้านุ่งห่มเนี่ยแหละเขาเรียกว่าภ้าสาดกเนี่ยเอาให้หยิบเอาผ้าสาดกเอาไปยื่นส่งให้คือก็ทำตามที่พระราชารับสั่งนะก็เอาไปให้ผู้หญิงคนนั้นนางเห็นผ้านั้นแล้วก็กล่าวว่าดิฉัน ไม่ได้ขอพระราชทานผ้าห่มอย่างนี้ดอกยีชันขอพระราชทานเครื่องดุงหม่มคือสามีต่างหากเล่าสามีตอนที่กลายเป็นเครื่องดุงห่มไปแล้วนะก็มีแต่อะไรนะสำนวนเนี่ยบางทีในหนังในละครก็ชอบพูดว่าอะไรนะสามีหรือภรรยาเนี่ยเปียกเหมือดแหละเนเหมือนเสื้อผ้าไม่เคยจะยีเลยเหรอ หววเหมือนเสื้อผ้าเนี่ยจะถอดทิ้งเมื่อไหร่ก็ได้อันนี้ในหนังนะเขาก็ชอบเอาสำาดนพวกนี้มาพูดอันนี้ก็เหมือนกันชาดกเรื่องนี้แต่ชาดกเรื่องนี้นี่ถือว่าสามีเป็นเครื่องนุ่มหมเลยนะบอกว่าที่ที่ร้องคำควรอยู่เนี่ยบอกว่าขอเครื่องนุ่มหมเนี่ยไม่ใช่ขอผ้าแต่จะมาขอสามี ราชบุุษฟังดังนั้นจึงกลับไปกราบบังคมทูลแด่พระราชาหญิงผู้นั้นไม่ได้พูดถึงผ้าห่มนี้เลยนางขอเครื่องดุงห่มคือสามีพระเจ้าข้านางก็ไปรายงานพระราชาให้ทราบ พ, พระราชาจึงรับสั่งให้นางเข้าเฝ้าแล้วมีพระราชดำรัสถามได้ยินมาว่าเจ้าขอผ้าห่มคือสามีหรือพระเจ้าค่ะ ได้ยินว่าพระ อ, องค์เพิ่งได้รับชายสามคนไว้ในคุกม่อมฉันจึงมาขอไว้เป็นสามีเพราะข้าแต่พระ อ, องค์ผู้สมมุติเทพสามีชื่อว่าเป็นผ้าห่มของสตรีโดยแท้เอาแล้วนะฟังคำพูดดีๆเรื่องนี้จะสำคัญที่ที่ไวพิบ ป, ปฏิพานแล้วก็การพูดการใช้ภาษาต่างๆนะีบนี่เป็นผู้หญิง ชนบทนะเป็นผู้หญิงชาวนาเนี่ยแหละพู้ง่ายแต่ฉลาดมีสติปัญญาในการที่จะพูดอนนั้นก็พูดกับพระราชาแล้วตอนนี้พระราชาถามว่าเอา้มามหาพาอโมบอกว่าเป็นสามีเหรอนั้นก็บอกว่ามาเนี่ยได้ข่าวว่าจับคนมาสามคนใช่ไหมก็จะมาขอเป็นสามีสักคน นันเราบอกว่าเนี่ยสามีชื่อว่าเป็นผ้าห่มของสตรีโดยแท้เพราะเมื่อไม่มีสามีแม้สตรีจะนุ่งผ้าราคาตั้งพันกระสาบก็ต้องชื่อว่าเป็นหญิงเปลือยอยู่นั่นอันนี้เป็นเป็นภาษานะเป็นสำนวนที่เขาใช้พูดเขาบอกว่ามีเงินทองมากมายหรือว่ามีเสื้อผ้าราคาแพงมานุ่งห่มยังไงเนี่ยแต่ถ้าเขาไม่มีสามีแล้วเนี่ยก็เป็นเหมือนกับ ผู้หญิงเปื่อยสำนวนนี้ความจริงมันถูกต้องไหมฮะอย่างนั้นผู้หญิงเป็นโสดก็เป็นผู้หญิงเปื่อยหมด <c oughs> ใช่หรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหเออันนี้นี่พูดแบบโลกโลกนะคนที่เขามีครอบครัวอันนี้เป็นเป็นคนโลกโลกที่เขามีครอบครัวแล้วเขายังไม่เข้าใจสัจธรรมชีวิตนันในเรื่องที่ว่าจริงๆแล้วเป็นโสดนี่แหละ นะเป็นความสุขเป็นความสบายเป็นกุศลมีสามีเนี่ยเป็นทุกข์จริงๆแล้วต้องยากต้องลำบากต้องแบกภาระมากมายนะเนี่ยต้องอิลุงตุงนางเลยเยอะแยะไปหมดแต่ตอนนี้ในที่นี้บอกแล้วเขาพูดแบบคนโลกโลกนะเพราะงั้นก็บอกว่าเนี่ยต่อให้มีเสื้อผ้าต่อให้มีอะไรประดับประดาเยอะแยะมากค่าแค่ไหนเนี่ย ถ้าไม่มีสามีก็เหมือนกับเป็นผู้หญิงเปลืยแล้วเขาเปรียบต่อไปอีกนะว่าดุดดังแม่น้ำที่ไม่มีน้ำก็ชื่อว่าเปลือยคือถ้าแม่น้ำเนี่ยไม่มีน้ำซะแล้วก็ถือว่าเปลยเป็นแม่น้าเปลยไปแล้วแวนแคว้นที่ปราศจากพระราชาก็ชื่อว่าเปลยเนี่ยหญิงปราศจากสามีถึงจะมีพี่น้องตั้งสิบคนก็ชื่อว่าเปลย นะเนี่ยก็ก็พูดอย่างเงี้ยให้พระราชาฟังจริงๆมันก็เป็นภาษาเป็นสำนวนที่ฟังแล้วแปลกๆดีนะถ้าเป็นเราได้ยินใครฟังอย่างนี้อาจะมาว่าแทนที่จะโกรธก็อาจจะนึกขำๆมันนะเอ อ, เ อ, อพูดแปลกๆดีแต่จริงๆก็พูดไม่ถูกนะแต่ว่าเออมันมันมันมันชวนฟังเมื่อกันมันน่าฟังทัง้งๆที่มันไม่ถูกสัจจะแท้ๆก็เหอะ เนี่ยพอพระราชาได้ฟังอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยพระราชาทรงเรื่อมใสชคำพูดอันชเชลีอัฉลาดของนางจึงรักสั่งถามว่าคนทั้งสามนั้นเป็นอะไรกับเจ้าหรือเปล่านางถึงกับสะดุง้งแล้วจําต้องตอบตามความเป็นจริงว่าขอเดชะข้าแต่พระองค์ชายทั้งสามคนนั้นคนหนึ่งเป็นสามีคนหนึ่งเป็นพี่พี่ชายเน่ยนะ คนหนึ่งเป็นลูกของหม่อมฉันพระเจ้าข่าคืออันนี้ก็ก็ไม่กล้าโกหกกับพระราชานะเดี๋ยวเดี๋ยวสวยแน่เลยถ้าขืนโกหกนะถือว่าอะไรเขาถือว่าอะไรถ้าโกหกพระราชาเนี่ยฮะก็ถือว่าเพชรทูลความไม่จริงกับพระราชาเนี่ยโอ้โหโทษหนักเลยนะเอ๊ะเขามีสำนวนว่าอะไรนะไม่ใช่ไม่ใช่ห ม, มิ่นพระบระรมมาเดชานุภาพ เขาใช้ว่าอะไรอ่ะผิดผิดราชาอาญาในพวกเนี้ยิ่ก็ถือว่าเม้าไม่ได้โกหกพระราชาไม่ได้จะโทษหนักเพราะนั้นตกใจเหมือนกันพอพระราชาถามอย่างนี้ก็เลยตอบตามความเป็นจริงว่าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผู้ชายทั้งสางคนที่ไถานาอยู่แล้วถูกจับมาเนี่ยคนหนึ่งเนี่ยเป็นสามีอีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นพี่ชายอีกคนหนึ่งเป็นลูก พระราชาทรงพอพระไทยนะคำตอบที่ที่แท้จริงเนี่ยจึงตรัสว่าเพราะการที่เจ้าพูดได้ดีถูกใจเรารู้จักใช้กุศโลบายอัญชันฉลาดเจรจาฉะนั้นในสามคนนี้เราจะยกให้เจ้าคนหนึ่งเจ้าจะปรารถนาคนไหนเล่าอา้าวตอบนะท่านผู้ฟังทั้งหลายนะคนหนึ่งเป็นสามี คนหนึ่งเป็นพี่ชายคนหนึ่งเป็นลูกเนี่ยเขบอกว่าอา้าวให้เลือกอ๋อยมอ๋อยมแก่แล้วนะโยมก็เลยตอบว่าถ้าจะให้เลือกนี่ก็คงจะเลือกลูกนะเนอะอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวถามคนสาวสาวังิอันนั้นคนแก่ตอบอา้าวคนสาวสาวคนสาวสาวตอบเอาพี่พี่ชายอ่าเอาแล้วคนอื่นอีกมีใครตอบอย่างอื่นไหมมีใครตอบอย่างอื่นห ที่จริงทางโลกเนี่ยเขาเอาสามีแน่นอนทาไมอ่ะทำไมก็ม เ, เอาสามีแน่นอนเพราะโดยทั่วไปโดยสภาพสังคมทุกวันเนี้ยนะยิ่งยิ่งปัจจุบันทุกวันเนี้ยส่วนใหญ่แล้วความเป็นพี่ชายความเป็นอะไรพวกนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยอะไรอะ่ะไม่ค่อยรักไม่ค่อยผูกพันไม่ค่อยมีความห่วงใยอะไรกันสักเท่าไหร่อ่ะแต่แม้เรื่องคนรัก เรื่องแฟนเรื่องสามีหรือว่าภรรยาเนี่ยโอ้โหกันนักกันหนาเลยนะรักนี้ชั่วนี่รัน <c oughs> นะอ่านเบนแบกให้ให้ถูกก็แล้วกันนะพวกเราชอบมาอ่านเบนแบกรักนี้แเราเวนบักแล้วก็ชั่วนี่รัน <c oughs> <c oughs> คือชั่วจนไม่มีกรอบเขตเลย อ่าถ้าปฏิบัติรรมเนี่ยเราก็จะเน้นมันในทางอะไรอะ่ะศีลแปดเน้นเน้นมันในทางเป็นโสดใช่ไหมแต่ถ้าทางโลกโลกแล้วเขาก็ยังศีลห้าหรือว่าเป็นปุถุชนเป็นอะไรเขาก็ยังนิยมชมชื่นกับการมีคู่ครองเพราะฉะนั้นมันก็ต่างกันสภาวะจิตมันมันคนร ะ, ะดับและนะแต่อย่างเนี้แหละเราดูนะคราวนี้สําหรับผู้หญิงคนเนี้ย ชาวชนบทคนนี้นะพอพระราชาให้เลือกคนหนึ่งที่จริงเนี่ยทาไมพระราชาถ้าชื่นชมแล้วก็ชอบคําตอบของผู้หญิงคนเนี้ยถ้าชอบแล้วเป็นยังไงที่จริงเออน่าจะยกให้หมดแต่การที่พระราชาเนี่ยบอกว่าให้เลือกคนหนึ่งแสดงว่ากําลังอะไรละอ่ะกากำลังทดสอบอีกแล้วทดสอบไว้ปิบ ปฏิภาณแล้วก็จะฟังคำตอบของหญิงชนบทคนนี้ด้วยว่าจะตอบอยังไงนะเพราะพระราชาคงไม่โง่อยู่แล้วหละยิ่งถ้าบอกให้เลือกสักคนตรงนี้แสดงว่าต้องฉลาดแล้วนะพอถามไปเสร็จนางก็รีบกราบทูลทันทีว่าขอเดชะพระบระมีเป็นล้นพน้นพระองค์จะไม่โปรดพระราชทานทั้งหมดสามคนเลยหรือพระเจ้าค่ะก็ <c oughs> แม้ใครลอยากจะได้ไปคนเดียวใช่ไหม เพราะจริงๆก็ก็มีอะไรอะ่ะก็สามีพี่ชายแล้วก็ลูกอะ่ะก็มีความผูกพันด้วยทั้งนั้นน่ยเอาคนใดคนคนึงหนึ่งไปอีกสองคนก็ต้องเสียใจแน่นอนใช่ไหมก็ต้องหาว่ารักคนนี้แล้วก็ไม่รักอีกสองคนแน่นอนไม่ว่าจะเอาคนไหนไปก็ตามแล้วก็ถ้าเอาคนหนึ่งไปอีกสองคนที่อยู่โอ้โหอาจจะโกรธแค้นอาจจะด่าว่าหรือว่าอะไรก็ได้ เพราะฉะนั้นแล้วยังไงก็ต้องขอสามคนแน่นอนก็เลยขอว่าขอสามคนได้ไหมพระราชาก็ตรัสย้ำเสียงหนักแน่นอีกครั้งว่าไม่ได้เราให้เจ้าเลือกได้แค่คนเดียวนางจึงจำต้องตัดสินใจตอบว่าพระกรุณาเป็นล้นพ้นพระเจ้าค่ะเมื่อเป็นดังนี้ขณะที่หมอมฉันยังมีชีวิตอยู่สามีคนหนึ่งต้องหาได้แน่ เพราะธรรมดาแล้วนั้นสตีย่างกายสู่หนทางเดินไปคนเดียวสักประเดี๋ยวก็จะมีชายที่พบเห็นมาเป็นสามีได้แล้วโดยไม่ยากนี่พูดอย่างยี่พูดให้พระราชาฟังนะไม่ใช่พูดให้สามีเขาฟังถ้าพูดให้สามีฟังแล้วก็โอ้โหเป็นเรื่องแน่ๆนะแต่อย่างเนี้ยก็พูดตามความเป็นจริงอะ่ะ ว่าเออสามียังไงก็ยังหาใหม่ได้นะก็ยังไม่ไม่ยากหรือแม้ว่าจะยากยังไงก็คงจะแหมไม่ยากจนกระทั่งโอโ้โหอะไรนะตาบอดหูหนวกเป็นใบขาด้วนแขนด้วนโอโ้โหเออถ้าขนาดนั้นนะก็คงจะหายากแน่แนถ้าหน้าตาพอไปวัดไปวาได้ยังไงก็คงโอ้คงหาได้นะ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็บอกเหตุผลว่าเออสามีคนหนึ่งเนี่ยคงยังไงก็ยังคงพอหาได้แหละไม่ยากหรอกส่วนลูกก็มีได้โดยง่ายเช่นกันเปรียบดังเหมือนหม่อมฉันเข้าป่าทาผ้าให้เป็นพกเอาไว้แล้วเก็บผักใส่ในพกนั้นผักจึงชื่อว่าเป็นของหาง่ายเพราะมีอยู่ในพกฉันใดแม้หญิงก็หาลูกได้ง่ายฉันนั้นเป็นเช่นกับผักในพกนั่นทีเดียว พกนี่ก็อะไรอ่ะทําเป็นอะไรอ่ะไอ้ที่มัดเอาไว้อ่ะมันจะเรียกว่าอะไรแมถ้าเดี๋ยวนี้ง่ายๆเดี๋ยวนี้มันก็เรียกเป็นกระเป๋าไปนะไอ้นี่เขาสมมติว่าเป็นพระคาเนี่ยเขาก็เอามาพันไว้แล้วแล้วก็ทําให้เป็ น, เ ป, นเป็นช่องเอาไว้อ่ะนี่นจะมีข้าวของมีอะไรก็เอาใส่ไว้สำนวนบางทีเขาพูดว่าเอาใส่พกใส่หอ่ออะไรเงี้ยนะแมมันเป็นสำนวนอย่างนั้นอ่ะอันนี้ก็เหมือนงานเขาก็เปรียบ เหมือนกับเข้าป่าแล้วเอาเด็ดอะไรเด็ดเห็ดเก็บผักเอาใส่ในพกมันง่ายออกก็จริงๆถ้าสามีหาง่ายแล้วลูกมันจะไปหายากไ ง, ไงใช่ไหมมันเกี่ยวเนื่องกันอยู่แล้ววันถ้าหาสามีง่ายโถเอ้ยลูกก็ต้องได้มาง่ายเหมือนกันนะนี่ก็เป็นเหตุผลที่สองนะสะสุดท้ายก็เลยบอกว่าแต่เพราะพ่อแม่ของหม่อมฉันเสียชีวิตแล้ว ฉะนั้นบัดนี้มอมฉันไม่เห็นที่ใดเลยที่จะนำพี่น้องร่วมท้องเดียวกันมาให้ได้อีกเพราะเหตุนั้นขอพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพี่ชายให้แก่มอมฉันเถิดพระเจ้าค่ะเพราะพี่ชายหาใหม่ไม่ได้แล้วเพราะว่าพ่อแม่ตายไปหมดแล้วนี่ใช่ไหมหมายถึงอันนี้เาหมายถึงทางสายเลือดนะทางสายโลหิตหาไม่ได้ละเพราะว่า ถ้าพ่อแม่อยู่ก็เออถ้ายังไม่แก่เกินไปอาจจะมีลูกมาอีกใช่ไหมก็าอาจจะยังได้น้องชายหรือว่าได้น้องสาวแต่พี่แต่แต่ว่าเมื่อพ่อแม่ตายไปแล้วเนี่ยจะพี่หรือน้องอะไรก็ไม่มีแล้วทั้งนั้นก็หมดเพราะฉะนั้นหาใหม่ไม่ได้ถ้าเกิดประหารชีวิตพี่ชายเขาก็จบเพรางนั้นเองเอา่าะอันนี้เขาก็บอกเหตุผลซึ่งน่าฟัง เป็นเหตุผลที่ถ้าพูดถึงเรื่องของความผูกพันนะสามีสามีภรรยาเนี่ยแล้วก็ลูกเนี่ยแล้วก็พี่น้องอะไรพวกนี้ก่อนโดยเนื้อแท้จริงๆเนี่ยพี่น้องนี่ต้องแน่นแฟนกว่าคือพ่อแม่นี่เรายกไว้นะถ้าเกิดพ่อแม่โดนจับมาด้วยนี่ก็คงต้องเอาพ่อแม่ไว้เป็นอันดับหนึ่งแต่ในที่นี้เนี่ยพ่อแม่ก็ตายไปแล้วนะเราก็ตัดลอประนั้นไป แตนะ่ถ้ามาไล่โดยฐานะโดยความผูกพันสามีก็มาทีหลังไม่ได้รวมทุกข์รวมสุขไม่ได้ช่วยเหลือจุนเจืออะไรกันมาก่อนเลยนะาบางทีมาไม่นานเลยเอามาทักปีสองปีเอาได้ลูกอีกหนึ่งคนสองคนแต่มาไม่นานเนี่ยแต่พี่น้องโอ้โหบางทีอยู่กันมาตั้งยาวนานบางทีโอ้โหลำบากด้วยกัน นะต้องทำมาหากินต้องทุกต้องทำงานหนักด้วยกันบางทีต้องอะไรอะ่ะรับผิดชอบต้องอะไรด้วยกันเนี่โอ้บางทีหลายสิบปีเพราะนั้น อ, อความผูกพันอันเนี้ยการพึ่งพาการช่วยเหลือการรู้จิตรู้ใจกันะอะไรต่างมันจะเข้มข้นจะมากกว่านะซึ่งจะทำาให้จริงๆแล้วสามีก็ยังห่างลูกก็ยังห่าง ถ้าให้เลือกสามีกับลูกเลือกอะไร <c oughs> เลือกลูก <c oughs> เลือกลูกนะส่วนใหญ่ก็คงจะเป็นอย่างนั้นแต่ก็ไม่แน่น่า <c oughs> แต่ส่วนใหญ่เพราะว่าอะไรเพราะลูกนี่ยังเป็นอะไรอะ่ะมันเป็นสายสัมพันธ์เป็นสายที่ที่เกี่ยวพันกันดูแลบางทีก็ยังจะมากกว่าใช่ไมเพราะกว่าจะยิ่งยิ่งยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยซึ่งเป็นแม่เนี่ย โอโกว่าจะคลอดลูกอะไรก็ลำบากยากแค้นน่าเสียงตายในการมีลูกแต่ละคนเพราะนั้นความผูกพันเนี่ยก็จะมากกว่ า, านันความจริงเนี่ยมันอยู่ที่ความผูกพันถ้าความผูกพันไหนมากกว่าก็น่าจะสาคัญกว่าผูกพันนี่หมายถึงว่าโดยสายเลือดหรือจะโดยชีวิตความเป็นอยู่ที่แท้จริงนะอะไรที่มากกว่าแล้วก็น่าที่จะให้ ความสําคัญอันนั้นมากกว่าอันนี้ไม่พูดถึงพี่น้องที่บางทีไม่ได้อยู่กับครอบครัวนะนะเติบโตมานี่ไปอยู่กับคนอื่นจนโตอะไรอย่างนี้ไอ้อย่างนี้บางทีความผูกพันก็น้อยแล้วัะความผูกพันโดยสัจจะที่แท้จริงอ่กับคนที่เราอยู่นั่นแหละอยู่ใกล้ชิดนั่นแหละที่จริงแล้วเป็นตัวผูกพันที่แท้จริงอ่าเป็นตัวที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันเนี่ย เป็นของจริงเลยแต่บางทีทางสายโลหิตเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นพี่เป็นน้องได้ชื่อว่าเป็นพ่อแม่ลูกแต่บางทีไม่ได้อยู่ด้วยกันเลยต่างคนก็ต่างอยู่ต่างคนก็ทำมาหากินบางทีก็คนละกระเป๋ากันไปเลยนะทุกวันนี้คนละกระเป๋ากันแล้วไม่ได้เป็นองค์รวมไม่ได้เป็นสาธารณาโพคีเอ่อไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วยุคเดี๋ยวนี้เนี่ย ไม่เหมือนยุคสมัยเก่าก่อนที่ในครอบครัวความผูกพันนี่เขาเาจะรวมเป็นหนึ่งเดียวไม่มีอะไรกระเป๋าไม่มีอะไปรวมอยู่ที่ใครส่วนใหญ่ฮะไปรวมอยู่ที่ใครส่วนใหญ่เอาถ้าในครอบครัวนี่เขายกให้แม่เป็นใหญ่ <c oughs> ในบ้านในบ้านเาขายกให้แม่เป็นใหญ่ส่วนใหญ่แม้แต่พ่อบ้านเนี่ยหาเงินทองมาเขาก็ยัง เ, เอามารวมไว้ที่ แม่เลยเป็นหนึ่งเดียวเลยแล้วแม่ก็เป็นคนดูแลทั้งหมดแม้แต่พ่อบ้านจะไปไหนยังต้องมาเบิกจางแม่บ้านเอาไปด้วยซ้ำไปอาสมัยก่อนเขาจะยกให้อย่างนั้นนะเขาก็ยกให้ผู้ชายเนี่ยพ่อบ้านที่เป็นใหญ่นี่ก็เป็นใหญ่แบบมีอนาอนาจพิจารณาตัดสินอะไรต่างๆในสภาพที่เหมือนกับงานบ้านงานเบืองอะไรที่ ท, ที่ที่เป็นอะไรอะ่ะภายนอกแต่ถ้าภายในในบ้านเนี่ย เขาก็จะยกให้ให้แม่บ้านเป็นใหญ่นะอันเนี้ยถ้าพวกเราเข้าใจได้เนี่ยว่าเดี๋ยวนี้ทุกวันนี้มันเปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วสภาพจิตวิญญาณของคนเราเรื่องความผูกพันเรื่องความเข้าใจในจิตวิญญาณข อ, ของครอบครัวเนี่ยมันเบาบางลงไปมากยิ่งไปรับวัฒนธรรมจากพวกฝรั่งพวกอะไรเนี่ยเข้ามามาก นะซึ่งจริงๆดีๆเขามีแต่ส่วนใหญ่ไอ้ดีๆเขาไม่เอามาไปเอาที่ไม่ดีเข้ามาแล้วก็เอามาใช้จนกระทั่งมันเหินห่างทุกวันนี้เงินทองอะไรก็คนกระเป๋าใครจะซื้ออะไรก็บังถามนะักใครจ่ายใครจ่ายต้องถามก็าอย่างเงี้ยใครจ่ายให้เห็นเลยว่าจิตวิญญาณมันมันแตกแล้วมันมันแยกกันไปแล้วมันไม่เป็นองค์รวมนะอันเนี้ย เราจะให้เห็นถึงสภาวะปัจจุบันนะซึ่งแตกต่างเพราะอย่างสังคมอโศกเราเนี่ยที่เราอยู่กันเนี่ยพอท่านถึงได้พยายามมาสร้างให้มาเป็นระบบแบบสาธารณภคีที่พยายามให้เป็นองค์รวมให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะดูซิเราเป็นครอบครัวใหญ่มีกันเป็น โ, โหนหลายร้อยคนแต่เรายังพยายามทำให้ได้เลย แล้วเนี่ยถ้าโดยนับโดยวัตถุเนี่ยส่วนใหญ่พวกเราก็ทำได้เนี่ยโดยวัตถุที่พวกเราทำได้แล้วนะเพียงแต่โดยจิตใจเนี่ยอาจจะยังยังไม่ถึงความเป็นสาธารณโภคีจริงยังหอผวงยังเอาเป็นนี่ของแผนชั้นนี่ของครัวชั้นทั้งทั้ ง, จงีจริงๆมันครัวส่วนกลางแต่ก็นี่อันนี้เขียงชั้นนี่ตาหลิวชั้นอะไรมันก็ยังยังมีอยู่ น, นในด้าน จิตปัญญาเพราะนั้นยังไม่ถึงที่สุดถ้าถึงที่สุดได้เนี่ยมันจะต้องถึงจิตปัญญาเลยอ่าอันนี้จะพูดไกลเกินละอันนี้เรามาเข้ากับเรื่องนี้ก็ปรากฏว่าก็บอกพระราชาไปนะว่าเนี่ยเหตุผลที่ขอให้ถ้าคนเดียวเนี่ยก็ขอเป็นพี่ชายเถอะพระ ร, พระราชาทรงย้มยิ้มด้วยดําริในพระไถยว่า นางคนนี้มีปัญญาดีและพูดได้ถูกต้องจริงดัง น, นั้นเองพระองค์จึงมีพระไทยพระองค์จึงมีพระไทยชื่นชมยินดีทรงโปรดให้นำคนทั้งสามมาจากเรือนจำแล้วพระราชทานให้นางไปยิงชนบทนั้นจึงช่วยพี่ชายช่วยสามีและลูกกลับไปยังบ้านของตนได้โดยปลอดภัย ครั้นพรศ า, าสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้แสดงจบแล้วตรัสเฉลยว่าพระราชาในครั้งนั้นได้มาเป็นเราตถาคตในบัดนี้นี่เองแต่ไม่บอกว่าหญิงชนบทคนนั้นมาเป็นใครในเรื่องนี้ไม่ได้บอกไปคิดเอาเองนะแต่บอกว่าพระราชาเป็นใคร ก็คือพระพุทธเจ้าในในอดีตชาตินะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยอาตมาก็ชอบนะเรื่องนี้อ่านแล้วก็จริงๆเคยมาสอนแล้วครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้ก็เอามาซ้ำให้พวกเราฟังอีกเพราะคิดว่าหลายคนก็ยังคงไม่ได้ฟังเรื่องนี้เรื่องเนี้ยที่ถ้าเป็นอาตมาอยากจะมาให้พวกเราฟังแล้วกี้เนี้ยพูดไปหน่อยเองแล้วคืออยากจะพูดในเรื่องของพระราดลพราพ เรื่องของความเป็นพี่น้องนะซึ่งจะต่างกันความเป็นพี่น้องเนี่ยเราในเรื่องนี้เราเห็นแล้วว่ามีคุณค่าสูงกว่าสามีสูงกว่าลูกนะในในในชาดกเรื่องนี้อันนั้นอนะ่ะเป็นอย่างหนึ่งละแต่ที่อาตมาอยากจะพูดให้พวกเราฟังเนี่ยจะพูดถึงความเป็นพี่น้องในทางธรรม ที่จางต่างจากความเป็นพี่น้องในทางโลกโลกโล ก, กีเนี่ยเพราะในเรื่องนี้เขายังเป็นพี่น้องในทางโลกโล ก, กีนะเขายังเลือกสมมติอย่างเนี้ยถ้าเป็นพี่น้องในทางโลกเขาเขาเลือกพี่น้องในทางโลกไว้ก่อนอ่าเหตุผลเพราะเดี๋ยวหาไม่ได้แล้วดูนะว่าพ่อแม่หมดไปแล้วนี่เพราะพี่น้องทางโลกไม่มีทางได้อีกแล้ว มีแต่จะหมดไปไม่มีว่าได้เพิ่มขึ้นแล้วจะต่างมากเลยจากพี่น้องในทางธรรมพี่น้องในทางธรรมเนี่ยคุณว่าหาง่ายหรือหายากนะไหนใครว่าหายากยกมือโอ้หลายคนนะเอาใครว่าหาง่ายยกมือโอ้โหมีโยมผู้เฒ่าคนเดียวยกมือทำไมหาง่ายราโยมโอ๋อนะผู้เฒ่าบอกว่าก็ เห็นใครเห็นใครก็เป็นญาติกันญาติในทางธรรมเป็นพี่น้องในทางธรรมจริงๆจะบอกว่าหาง่ายก็ได้แล้วจะบอกว่าหายากก็ได้คืออันนี้มันอยู่ที่ว่าเรานึกยังไงเราคิดยังไงอย่างเช่นนะเราบอกว่าหาง่ายเอาก็ง่ายจริงๆก็ไม่ใช่ว่าในโลกนี้ไม่มีผู้บรรลุธรรมไม่มีนักปฏิบัติธรรมก็ไม่ใช่ก็มีใช่ม บางทีเราก็จะยินอยู่เรื่อยอะสำนักนั้นสำนักนี้หรือว่าใครปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่ไหนหนอะไรเงี้ยเราก็จะยินอยู่มันก็ยังพอหาได้ไม่ยากนักหรอกใช่ไหมถ้าถ้าเราคิดแบบอย่างนี้นะคิดแบบกวา้างๆเงี้ยเออก็ไม่ยากหรอกก็แล้วก็ทุกประเทศส่วนใหญ่ก็ต้องมีาศาสนาใช่ไหมหรือว่ากุ่มง่ายก็ต้องมีคนดีที่จะ มีคุณธรรมหรือว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยมันต้องมีแน่ยังไงก็คงหาไม่ยากหรอกน่าจะหาได้ง่ายอา้าวแต่ตอนนี้เอาฝ่ายที่ว่าหายากบ้างสิทำไมถึงคิดว่าหายากเหตุผลไม่ได้ให้ยกมือเฉยๆอยากรู้เหตุผลด้วยทำไมถึงหายาก <S <S เออที่เราบอกว่าหายากเพราะว่า คนส่วนใหญ่ในโลกเนี้ยคนที่จะมาคือคนที่จะมาปฏิบัติธรรมจริงๆเนี่ยถ้าเรานับเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็น้อยแม้ว่าเขาจะบอกว่าเขามีาศาสนานั้นาศาสนานี้นะอืมแต่จริงๆแล้วน้อย